หรือเพื่อหวังลาบยศนั้นตามพระวินัยไม่ถึงว่าผิดหลายคนไม่ได้ศึกษาให้ลึกซึง้งก็คิดเหมาไปหมดว่าพระองค์ไหนบอกว่าตนบรรลุ ธ, ธรรมคืออาบัติปา ร, ราชิกและองค์ไหนพูดคาหยาคือผิดศีลไม่ใช่พระอริยะซึ่งความจริงแล้วไม่ใช่เรื่องของธรรมะนั้นลึกซึ้งเกินกว่าจะท่องจำแค่หลักการนะครับหลายคนที่ได้ฟังเทศของหลวงตา และได้สัมผัสกับองค์จริงของท่านที่วัดก็คงจะหายสงสัยเองแต่ปัจจุบันก็ยังมีคนปรามาทและเข้าใจท่านผิดอยู่มากซึ่งส่งผลเสียและหายนะอันใหญ่หลวงให้กับชีวิตของพวกเขาการปรามาพระอริยะเป็นกรรมแรงมากก่อนจะปักใจเชื่ออะไรจึงอยากให้ไตรตรองให้ดีก่อนและก่อนจะว่าใครก็ควรจะสำรวจตนเองด้วยว่า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 ที่เคยรู้มาเป็นการเข้าใจผิดทั้งหมดแต่ก็ยังโชคดีที่ไปกราบขอขอมาต่อหน้าท่านได้ทันสําหรับคนที่ไปกราบขอ ข, อขอมาไม่ทันก็ให้กราบขอขอมาหน้าหิ้งพระก็ยังดีนะครับยังไม่สายหรอกที่จะกลับตัวแก้ไขความผิดที่เกิดจากความไม่รู้และยังสามารถร่วมบุญถวายหลวงตาได้กับโครงการต่างๆของวัดป่าบ้านตาดติดตามและดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เว็บหลวงตาคอมนะครับ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 หลวงพ่อสังวานเขมโกพระอาจารย์ของหลวงพ่อสนองกระตะปุญโยวัดสังฆทานท่านเป็นพระอาหารหันต์องค์เนี้ข้ารู้มานานแล้วหลวงปู่ดูพรหมปัญโยธรรมะที่ท่านอาจารย์พระมหาบัวแสดงให้พวกเราฟังนั้นสามารถยึดถือเป็นหลักประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้อง ไม่มีผิดพลาดแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวท่านกอ่อเขาสวนหลวงแม่ฉีผู้เคร่งครัดการปฏิบัติจนเป็นที่ยอมรับของคณะสงฆ์พระเกียจจิอีกจำนวนมากที่สนรเสรินในคุณของหลวงตาพระมหาบัวเช่นหลวงพ่อพุท ธ, ธนิโยหลวงพ่อแนนสุพัทโทพระอาจารย์แบนธนากะโรหลวงพ่อปราโมทปาโมโชหรือแม่ตะคุณดังตริน ที่เขียนหนังสือเสด็จดคนตายไม่ได้อ่านนะครับหลวงตาพระมหาบัวมรณภาพเมื่อวันที่30มกราคมปีพุทธศักราช2554สิริอายุ98ปีรวมเวลาที่บวช7 9พาร0งเปียยกหมือนอนดัว พ้นน้ำสว่างสวัยแม่ลอยขึ้นบนพ้นมาแต่บัว ย, ยังมีสายใยพระธรรมคือทางไว้ให้ลูกหลานได้ตามรอยบัวพระมหาบุรุรวมศรัทธา